พระไตรปิฎกเล่มที่สิเจดสังยุตตนิกายกันทวารวัรรมูลปันนาตวัคที่สี่เทรวัตหมวดว่าด้วยพระเทระเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณทีนท่นั้นท่านพระอานน์ได้กล่าวเรื่องนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระอุณะมันตานีบุตร มีอุปการะมากแก่พวกเราผู้เป็นภิกษุใหม่ท่านกล่าวสอนพวกเราด้วยโอวาทอย่างนี้ว่าเพราะถือมั่นตัณหามานะทิฐิว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นตัณหามานะทิฐิว่าเรามีจึงไม่มีเพราะถือมั่นอะไรเพราะถือมั่นรูป ตัณหามาณทิฏฐิว่าเรามีจึงมีเราไม่ถือมั่นรูปตัณหามาณทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีและโดยนัยเดียวกันกับเรื่องของรูปคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันท่านอา น, น์สตรีหรือบุรุษแรกรุ่น ผู้ชอบแต่งตัวมองดูเงาหน้าของตนในกระจกหรือภาชนะน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์พราะอาศัยกระจกหรือภาชนะน้ำนั้นจึงเห็นเพราะไม่อาศัยจึงไม่เห็นแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ตัณหามานาทิฐิว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัณหามานาทิถิว่าเรามีจึงไม่มีท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ตอบว่าไม่เทียงเพราะเห็นนั้นแหละพระอาริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระปุณณมัณฑนีบุตรเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเราผู้เป็นภิกษุใหม่ท่านสอนพวกเราด้วยโอวาทนี้ เพราะฟังธรรมเทศานานี้ของท่านพระปุณมันตนีบุตรผมจึงได้บรรลุธรรมว่าด้วยความต่างแห่งภสสาพระผู้มีพระภาประทับอยู่ณเขตกรุงสาวธีตรัดแสดงเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งภสษาเกิดขึ้น เราอาศัยความต่างแห่งาธาตุความต่างแห่งาธาตุคือจากขูธ่ถถาาธาตุโสตธาตุขานะธาตุจิวห า, าธาตุกายาธาตุละมนโนาธาตุความต่างแห่งพัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งาธาตุเป็นอย่างไรคือจากขู่สัมผัสผเกิดขึ้นเพราะอาศัยจากขู่ธ า, าตุโสตสัมผัส เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตธาตุขณะสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยขณะธาตุชิวหาสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาธาตุกายสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายธาตุมโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุความต่างแห่งปัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างนี้ ติดาสูตรว่าด้วยพระติศสัเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระติดสะโอรสพระปิตุชาของพระผู้มีพระภาคบอกแก่ภิกษุจำนวนมากอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายร่างกายของกระผมอ่อนเปลี่ยประดุดโอนเมากระผมรู้สึกมือทุกด้าน แม้ธรรมะทั้งหลายก็ไม่ประปฏทีนมิทะครอบงามจิตของกระผมกระผมไม่ยินดีประพฤติปรมจันทร์และยังมีความสงสัยในธรรมะทั้งหลายอยู่ครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าเฝ้าปราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบจึงมีรับสั่งเรียกพระติสาะเข้าเฝ้าและถามว่าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่ได้คำตอบว่าเป็นจริงเช่นนั้น พระผู้มีพระภาคตรึงตรัสว่าติดสะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักความกระหายความเร่าร้อนความทยานอยากในรูปเพราะรูปนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโศกคือความเศร้าโศก บริเทวะความคร่งครวนทุกคือความทุกกายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปาญาตคือความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นใช่ไหมทูลตอบว่าใช่ดีแล้วติสัพเรื่องนี้เป็นอย่างนี้และโดยในญาเดียวกันบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดเป็นต้นนั้น ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาจึงเกิดขึ้นจากนั้นตรัสถามพระติสัตโดยนัยะตรงข้ามกันคือเมื่อบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจความรักความกระหายความเร่าร้อน ความทยานอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกปริเทวาทุกโทมานต์และอุปายาตยอมไม่เกิดขึ้นทรงถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นเป็นทุก เป็นอนัตตาไม่กวนยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะเหตุนั้นและอริยส า, าวกผูกก้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นติดสะเปรื่อเหมือนบุรุษสองคนคนหนึ่งไม่ฉลาดในหนทางคนหนึ่งฉลาดในหนทางบุรุษผู้ไม่ฉลาดในหนทาง พึงถามทางกับบูรุษผู้ฉลาดในหนทางผู้ฉลาดนั้นพึงตอบว่าผู้เจริญท่านไปตามทางนี้อีกสักครู่ก็จะพบทางสองแพร่งในทางสองแพร่งนั้นท่านจงลักทางซ้ายไปทางขวาเถิดไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบราวป่านาทึบไปตามทางนั้นอีกสักครู่ ก็จะพบที่ลุ่มใหญ่มีเปลือกตมไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบบึงที่ลึกไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบพื้นที่ราบหน้ารื่นรมอุปมานี้เรายกมาเพื่อให้เข้าใจเนื้อความแจ่มชัดในอุปมานั้นมีอธิบายดังนี้คําว่าบุรุษผู้ไม่ฉลาดในขนทาง นี้เป็นคำเรียกอุตุชนคำว่าบูรุษผู้ฉลาดในหนทางนี้เป็นคำเรียกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าทางสองแปร่งนี้เป็นคำเรียกวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในธรรมเช่นการไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมเป็นต้นคำว่าทางซ้ายนี้เป็นคำเรียกข้อปฏิบัติผิ คือมิจฉามรกมีองค์แปดได้แก่ตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิคำว่าทางขวานี้เป็นคำเรียกข้อปฏิบัติที่ถูกคืออริยมรกมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิคำว่าเราปานาทึบนี้เป็นคำเรียกของอวิชชาคือการไม่รู้แจ้งอริยสัจสี คำว่าที่ลุ่มใหญ่มีเปลือกตมนี้เป็นคำเรียกกามทั้งหลายคาว่าบึงที่ลึกนี้เป็นคำเรียกความโกรธและความขับแค้นใจคำว่าพื้นที่ราบหน้าเรื่นรมนี้เป็นคำเรียกนิพพานติสสะเธอจงยินดีตามโอวาทที่เรากล่าวสอนตามความอนุเคราะห์ที่เราอนุเคราะห์ ตามคำร่ำสอนที่เราพร่ำสอนเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระติสัมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลว่าด้วยพระยะมะกกะสมัยหนึ่งท่านพระสาวรีบุตรอยู่นกรุงสังวัตถีสมัยนั้น ภิกษุยมกกะเกิดที่ทธิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาส่งแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาศพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนพินาศไม่เกิดอีกเมื่อภิกษุจำนวนมากได้ทราบความนี้จึงพากันเข้าไปหาท่านพระยมะกะถึงที่อยู่และถามว่าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่ ก็ได้รับคำตอบว่าจริงเช่นนั้นจึงกล่าวตักเตือนให้ละทิฏฐิชั่วนั้นแต่พระยะมะกั ก, ก็ยังคงทิฏฐินั้นลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถจะให้พระยะมะกัจคลายทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงพา ก, กันไปหาท่านพระสารีบุตรขอให้ไปอันเกราะภิกษุยะมะ ก, กะจครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเรน แล้วเข้าไปหาท่านพระยะมกกะถึงที่อยู่แล้วถามท่านพระยะมกกะว่าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่ตอบว่าเป็นจริงเช่นนั้นประผมรู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงไว้ว่าภิกษุขีณาศพคือพระอรหันต์นั้นหลังจะตายแล้วย่อมขาดศูนพินาศไม่เกิดอีกท่านพระสาวรีบุตรจึงถามดังนี้ ทันยะมะกะัท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรที่จะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะเหตุนั้นแหละระอาเรยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น ท่านยะมะกะท่านพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นตถาคตหรือไม่ตถาคตในที่นี้เป็นคาที่ลัตที่อื่นใช้กันมาก่อนพุทธกาลหมายถึงอัตตาหรืออัตมันไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าท่านยะมะกะท่านพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นตถาคตหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ ท่านพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นตถาคตรหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในรูปหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากรูปหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่เช่นกัน และโดยในยะเดียวกันท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ทัานยมะกะท่านพิจารณาเห็นรูปเป็นต้นนั้นว่าเป็นตถาคตหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ ท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตนี้ไม่มีรูปเป็นต้นนั้นใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ท่านยะมะกะแท้จริงท่านจะค้นหาตถาคตในขันห้าประการนี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยควรหรือที่ท่านจะกล่าวว่าภิกษุขีณาศพนั้นหลังจะตายแล้วย่อมขาดศูนพที่นาฏไม่เกิดอีก ท่านยะมะกะเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนผมไม่รู้จึงได้เกิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นแต่บัดนี้เพราะฟังธรรมเทศานานิ้ของท่านพระสาวรีบุตรผมจึงละทิฏฐิชั่วนั้นได้แล้วและได้บรรลุธรรมท่านยะมะกะถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่าภิกษุอรหันตะกีนาศพหลังจากตายแล้วเป็นอะไร ถ้าท่านถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างไรท่านผู้มีอายุถ้าพวกเขาถามอย่างนี้กระผมจะพึงตอบอย่างนี้ว่ารูปไม่เทียงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วตั้งอยู่ไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่เทียง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 เปรียบเหมือนขาหาบดีหรือบุตรขาหาบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและมีการเอารักษาอย่างกวดขันเกิดมีบุรุษคนหนึ่งมุ่งความพินาศความไม่เป็นประโยชน์และความไม่ปลอดภัยอยากจะเปลิดชีวิตเขาเขาจึงมีความคิดว่าการที่จะทำเช่นนั้นไม่ได้ทำได้ง่ายดังนั้นเขาจึงเข้าไปหาขาหบดีหรือบุตราหาบดีนั้น แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผมจะพอรับใช้ท่านข้าบดีนั้นพึงรับเข้าไวเขารับใช้อย่างดีคือมีปกติตื่นก่อนนอนที่หลังคอยฟังคำสั่งประพฤติตนให้เป็นที่พอใจพูดแต่คำไพเราะข้าบดีนั้นเชื่อว่าเขาเป็นมิตรสหายและไว้ใจเขาเมื่อเป็นดังนั้นเมื่อได้รับการไว้ใจแล้ว ครันคาหบดีนั้นอยู่ในที่ลับจึงใช้สัตราอันคมปลิดชีวิตคาหบดีนั้นในที่ลับท่าน ย, ยมะกะในการใดบุคคล น, นั้นเข้าไปหาคาหบดีแล้วกล่าวว่าผมจะขอรับใช้ท่านแม้ในการนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ค่านั่นเองแต่คาหบดีนั้น ไม่รู้จักบุรุษนั้นว่าเป็นผู้ข่าตนบุรุษนั้นแม้รับใช้อย่างดีก็ชื่อว่าเป็นผู้ข่านั่นเองแต่กหาบดีนั้นก็ยังไม่รู้จักว่านั้นเป็นผู้ข่าตนแม้ในการต่อมากหาบดีนั้นจะถูกปลิดชีวิตเสียแล้วในการนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ข่าแต่กหาบดี ก็ไม่รู้จักบูรุษผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่าตอนอยู่นั่นเองท่านยมะกะัปอุปมาณีฉันใดอุปมาอก็ฉันนั้นเหมือนกันปุตุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยไม่ฉลาดในธรรมะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยหรือสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา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 ไม่รู้ชัดเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าขันห้านั้นไม่เที่ยงไม่รู้ชัดขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นตามความเป็นจริงว่าขันห้านั้นทั้งหมดเป็นทุกข์ไม่รู้ชัดขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้นที่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่า ขันห้าทั้งหมดมีรูปเป็นต้นนั้นเป็นอนัตตาไม่รู้ชัดขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้นที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่รู้ชัดขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้นที่เป็นผู้ค่าตามความเป็นจริงว่า ขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้นเป็นผู้ฆ่าเข้าเข้าไปยึดมั่นรูปว่าเป็นอัตตาของเราเข้าไปยึดมั่นเวทนาสัญญาสังขารเข้าไปยึดมั่นวิญญาณว่าเป็นอัตตาของเราอุปาทานนขันห้าประการนี้ที่ปุตุชนนั้นเข้าไปยึดมั่นย่อมเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกตลอดกาลนานท่านผู้มีอายุส่วนพระอริยาสาวกผู้ได้สดับฉลาดในธรรมะได้รับการแนะนาในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นขันห้ามีรูปเป็นต้นนั้นโดยความเป็นอัตตาเขารู้ชัดขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้นที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่า ขันห้าทั้งหมดนั้นไม่เทียงรู้ชัดขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้นที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าขันห้าทั้งหมดนั้นเป็นทุกข์รู้ชัดขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้นที่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าขันห้าทั้งหมดนั้นเป็นอนัตตารู้ชัดขันห้ามีรูปเป็นต้นนั้น ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าขันห้าทั้งหมดนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งรู้ชัดขันห้ามีรูปเป็นต้นนั้นที่เป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริงว่าขันห้าทั้งหมดนั้นเป็นผู้ฆ่าเขาไม่ยึดมั่นรูว่ารูเป็นอัตตาของเราไม่ยึดมั่นในเวทนาสัญญาสังขาร ไม่เข้าไปยึดมั่นวิญญาณว่าวิญญาณเป็นอัตตาของเราอุปาทานขันห้าประการนี้ที่พระอริยสาวกนั้นไม่เข้าไปยึดมัน่นยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานเมื่อท่านพระสาวรีบุตรกล่าวดังนี้ท่านไตรยมะกะจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระสาวรีบุตร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 สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นท่านพระอนุราธะอยู่ที่กุฎีปา่าไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นอัญญาดีรัตีปริพาชกจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุราธะถึงที่อยู่ได้ถามดังนี้ว่าท่านอนุราธะ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 ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พระผู้มีพระภาคนั้นจะทรงบัญญัติเช่นนี้หรือไม่ท่านพระอนุราทาตอบว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงบัญญัติเช่นนั้นย่อมทรงบัญญัติเว้นจากฐานาสี่ประการที่กล่าวมานั้นปัญญาเดียรถีปริภาชกล่านั้น จึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้คงเป็นพระบวชใหม่ได้ไม่นานหรือเป็นพระเทระแต่โง่ไม่ฉลาดแล้วพากลุกจากไปครั้งนั้นท่านพระอนุราธาได้มีความคิดว่าถ้าอัญญาดิรัีเหล่านั้นพึงถามปัญหากับเรายิ่งขึ้นไปเราจะตอบอย่างไรจึงจะชื่อว่า พูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้จึงเดินทางไปเข้าเฝ้าปราบทูลถามพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอนุราธะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบว่าเป็นทุกข์ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปราพันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตอบว่าข้อนั้นไม่กวรเลยและโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่กวรพิจารณาว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเรา อริยสาวกผู้ได้สะดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นอนุราธะเธอพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นตถาคตคือเป็นอัตตาหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นเธอพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้น ตรัสถามว่าเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในรูปมีในเวทนามีในสัญญามีในสังขารมีในวิญญาณหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นและโดยในยะเดียวกันเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากขันห้านี้หรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นอนุราทะ เธอพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตนี้ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า อนุราธาัแท้จริงเธอจะค้นหาตถาคตโดยจริงโดยแท้ในขันห้าประการนี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยควรหรือที่เธอจะตอบว่ารัตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษส่งบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมเมื่อจะท่งบัญญัติข้อนั้นย่อมท่งบัญญัติเว้นจากฐานะสี่ประการนี้คือ หลังจะตายแล้วตัถากตเกิดอีกไม่เกิดอีกเกิดอีกและไม่เกิดอีกจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ทูลตอบว่าข้อนั้นไม่กลัวเลยพระพุทธเจ้าค่าดีแล้วอนุราททั้งในการก่อนและในบัดนี้เราย่อมบรญยัติทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น วัคคลิสูตรว่าด้วยพระวัคคลิสมัยหนึ่งพระผู้มิพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงราชครึกสมัยนั้นท่านพระวัคคลิอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักพักอยู่ที่โรงช่างหมอ้อครั้งนั้นท่านพระวัคคลิเรภิกษุผู้อุปถาเข้าเป้ากราบทุนขออนันเคราะห์โปรเดเสด็จมาเยี่ยม ครั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระวัคค리ถึงที่อยู่ท่านพระวัคค리เห็นพระผู้มีพระภาคกําลังเสด็จมาแต่ไกลจึงลุกขึ้นจากเตียงลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสบอกว่าไม่ต้องลุกจากเตียงแล้วทรงประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วทรงถามถึงอาการป่วยไข้นั้นท่านพระวัคลิกราบทูลว่า ทุก เ, เวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยตรัสถามว่าวักกลิเธอไม่รำคาญไม่ทุรนทุรายบ้างหรือความจริงข้าพระองค์รำคาญทุรนทุรายมากพระพุทธเจ้าข่าวักกลิเธอติดเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ข้าพระองค์ติดเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะวกลิ ถ้าเช่นนั้นเธอจะรำคาญทุรนทุรายไปทำไมทูลตอบว่าข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระอุ้มพระภาคนานแล้วแต่ร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีกำลังพอที่จะเข้าเฝ้าได้อย่าเลยวักะลิกจะมีประโยชน์อะไรด้วยร่างกายอันเปื่อยเน่าที่เธอเห็นอยู่นี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมความจริงเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเราเมื่อเห็นเราก็ชื่อว่าเห็นธรรมวัลปเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกหรือเป็นสุขทูลตอบว่าเป็นทุก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 มีความแปรพันธ์เป็นธรรมดาไม่กวรคิดว่านั่นเป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพน้นครั้นตรัสสอนท่านพระวกกลิ ด, ด้วยพระโอวาทนี้แล้วส่งลุกจากพุทธอาสดเสด็จไปทางภูเขากิสกูดลำดับนั้น ท่านพระวัคคลิได้เรียกอุปถาทั้งหลายให้ช่วยกันอุ้มขึ้นเตียงแล้วหามไปยังวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิกิลิด้วยความคิดว่าทำไมเราจะพึงสำคัญตนว่าควรมรณาภาพในละแวกบ้านเราเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาสองอ ง, องค์มีวันนางดงามยิ่งนักหล่งรัศมีให้สว่างทั่วภูเขาคิจกูด เข้าเฝ้าพระภูมิพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวกรกายคิดเพื่อหลุดพ้นส่วนเทวนาอีกองค์หนึ่งกราบทูลว่าพระวกรกลินั้นหลุดพ้นดีแล้วจากหลุดพ้นได้แน่ครั้นราตรีนั้นผ่านไปจึงมีรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายให้เข้าไปหาพระวกรกลิถึงที่อยู่แล้วบอกว่า ท่านวัคคะลิท่านจงฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคและคําของเทวดาสององค์เมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งกราบทูลว่าราวัคคะลิคิดเพื่อหลุดพ้นเทวดาอีกองค์หนึ่งกราบทูลว่าพราวัะลินั้นหลุดพ้นดีแล้วจากหลุดพ้นได้แน่ทั้งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงท่านว่าอย่ากลัวเลยวัคกะลิ ความตายอันไม่ต่ำช้าจะมีแก่เธอเธอทำกาลักคือตายจะไม่เลวสามท่านพระวักกะลิเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงฝากภิกษุเหล่านั้นไปกราบทูลถวายแทนตนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุวักกะลิอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเธอขอถวายอภิวายพระยุคกกลบาทของพระองค์ด้วยเสียนกล้าว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เคลือบแปลงรูปที่ไม่เที่ยงไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่สงสัยว่าสิ่งใดไม่เทียเทสสยเท่ยงเป็นทุกข์มีความแปรพันเป็นธรรมดาความพอใจความกำหนัดหรือความรักใคร่ในสิ่งนั้นไม่มีแก่เราและโดยในยะเดียวกันไม่เคลือบแปลงเวทนาสัญญาสังขาร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 ก็ได้นำสัตรามาในที่นี้หมายถึงนำสัตรามาฆ่าตัวตายด้วยการปาดคอสำหรับเรื่องการฆ่าตัวตายนั้นในที่นี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลซึ่งอธิบายไว้แล้วในหลายพระสูตรนะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอัตถกาถาอีกทีอย่าลืมหลักที่ว่าพระอรหันต์ทำอะไรไม่เป็นกรรมไม่มีเจตนา เป็นแค่กิริยานะครับสําหรับคนทั่วไปการฆ่าตัวตายโดยที่จิตยังยึดมั่นถือมั่นจิตเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะนำความทุกข์มาให้อีกยาวนานแสนนานมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในกองทุกข์ดังนั้นทุกข์ที่ประสบอยู่จะละและบรรเทาได้ด้วยการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องเท่านั้น ทุกวันมีคนฆ่าตัวตายจำนวนมากนะครับและคนเหล่านั้นก็มักจะละเลยการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องที่พอดีกับตนและร้อยทั้งร้อยก็คือไม่เชื่อว่าชาตินามีจริงต้องการหนีจากทุกข์ที่กำลังได้รับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจิตที่เป็นทุกต้องการหนีทุกเห็นความทุกนั้นเป็นเราเป็นของเรา เราต้องการหนีจากทุกข์แค่นี้ก็ต้องวนเวียนตายเกิดและค่าตัวตายซ้าๆอีกไม่รู้กี่รอบจึงควรศึกษาให้ดีให้เข้าใจและควรสอนลูกหลานตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะครับอย่าคิดว่าเขายังเด็กยังไม่เข้าใจการพูดถึงความตายการพูดถึงการวินว่ายตายเกิดเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้และศึกษาให้ถูกต้อง เมื่อภิกษุเหล่านั้นจากไปไม่นานท่านพระวักกะลิก็ได้นำสัตรามาฆ่าตัวตายต่อมาภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้ากราบทูลคำของพระวักกะลิให้ทรงทราบครั้งนั้นจึงมีรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายเดินทางไปยังวิหารกาลสีลาซึ่งเป็นสถานที่ที่พระวักกะลิได้ฆ่าตัวตาย พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังวิหารกาลาศิลาพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระวักกะลินอนคอบิดอยู่บนเตียงแต่ไกลเทียวสมัยนั้นปรากฏกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทุกทิศทุกทางพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเห็นควันและหมอกเหล่านี้หรือไม่ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายนั่นแหลคือมารผู้มีบาปค้คนหาวิญญาณของวักคะลีบุตรด้วยคิดว่าวิญญาณของวักคะลีบุตรสถิตยอยู่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายวักคะลีกุลบุตรไม่มีวิญญาณสถิตยอยู่เปารีนิพานแล้ว อสชัชชสูตรว่าด้วยพระอัสัชินณกรุงราชกุลท่านพระอาสชัชชป่วยจึงให้อุปถากราบทูลขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปเยี่ยมพระอาสชัชชทรงถามว่าเธอไม่รําคาญไม่ทุรนทุรายบ้างหรือทูลตอบว่าทุรนทุรายมาก อัสชิเธอติดเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ทูลตอบว่าติดเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้เลยถ้าเป็นเช่นนั้นเธอจะรําคาญทุรนทุรายไปทําไมทูลตอบว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์ระ ง, งับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกบรรเทาความป่วยไข้ยอยู่จึงไม่ได้สมาธิ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 เธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าขา้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอริยสาวกพูดได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายกลายกำหนัด จิตยอมหลุดพ้นถ้าอาริยาสาวกนั้นสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าสวยทุกขเวทนาหรือสวยอะทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลิน ถ้าเธอสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากิเลสสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอสวยทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากิเลสสวยเวทนานั้นถ้าอริยส า, าวกนั้นสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด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 หลังจากตายแล้วก็รู้ชัดว่าความสวยอารมณ์ทั้งปวงไม่น่าเบลิดเบลนจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวเขมะกะัสูตรว่าด้วยพระเขมะกะัตสมัยหนึ่งพระเอระจํจำนวนมากอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพี สมัยนั้นท่านพระเขมะกะอาพาธเป็นไข้หนักครั้นในเวลาเย็นพระเทเรทั้งหลายออกจากที่หลีกเรนแล้วบอกให้ท่านพระทาสกัเข้าไปเยี่ยมท่านพระเขมะกะตถึงที่อยู่เมื่อถามถึงอาพาธนั้นท่านพระเขมากาตตอบว่าทุกเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยท่านพระทาสกั จึงกลับไปหาพระเทเรทั้งหลายบอกเรื่องนี้ให้ทราบครั้งนั้นพระเทเรทั้งหลายฝากคำถามมาถามว่าอุปาทานขันห้าประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วคือรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญญูปาทานขันสังขารูปาทานะขันละวิญญาณูปาทานขัน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 ท่านพระเขมะกะตอบว่าไม่ใช่พระอาหารหันต์ขีณาศพแต่ผมเข้าใจว่าเรามีในอุปาทานขันห้าประการและผมก็ไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้ถามว่าคําที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั่นคืออย่างไรท่านกล่าวว่าเรามีรูปกล่าวว่า เรามีนอกจากรูปท่านกล่าวว่าเรามีเวทนาสัญญาสังขารเรามีวิญญาณเรามีนอกจากวิญญาณท่านเขมกะคคำที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นคืออย่างไรท่านพระเขมกะตตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ได้กล่าวว่าเรามีรูป ทั้งไม่ได้กล่าวว่าเรามีนอกจากรูปไม่ได้กล่าวว่าเรามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งไม่ได้กล่าวว่าเรามีนอกจากรูปจนถึงวิญญาณเป็นต้นนั้นแต่ผมเข้าใจว่าเรามีในอุปาทานขันห้าประการและผมก็ไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนกลิ่นดอกอุบลก็ดีดอกปฐุมก็ดีดอกบุญเทริกก็ดีคือดอกบัวนั้นผู้ที่กล่าวว่ากลิ่นของใบว่ากลิ่นของสีหรือว่ากลิ่นของเกสร อ, อย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ตอบว่าไม่ถูกต้องเมื่อจะตอบให้ถูกต้องควรตอบอย่างไรควรตอบว่ากลิ่นของดอก โอรัมภาคาสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการพระอริยาสาวกหลักได้แล้วก็จริงแต่ท่านก็ยังถอนมานะฉันทะและอนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันห้าประการว่าเรามีไม่ได้ต่อมาท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันห้าประการว่ารูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานแขันห้าประการนี้อยู่ถึงแม้ท่านจะยังถอนมานะฉันทาและอนุสัยอย่างละเอียด ในอุปาทานขันห้าประการว่าเรามีไม่ได้แต่มานะชันทะและอนุสัยก็ถูกเพิกถอนขึ้นได้ผ้าสกปรกเปื่อนมนทินเจ้าของผ้ามอผ้านั้นให้แก่ช่างซักผ้าช่างซักผ้าขยี้ผ้านั้นในน้ำด่างเกลือน้ำด่างขี้เท่าหรือในโคใหม้แล้วซักในน้ำสะอาด ผ้านั้นสะอาดก็จริงแต่ผ้านั้นก็ยังไม่หมดกลิ่นน้ำด่างเกลือกลิ่นน้ำด่างขี่เท่าหรือกลิ่นโคลไมทที่ติดอยู่ช่างซักผ้าหมอผ้านั้นคืนให้เจ้าของไปเจ้าของเก็บผ้านั้นใส่ไว้ในหีบปบด้วยกลิ่นแม้ผ้านั้นจะยังไม่หมดกลิ่นน้ำด่างเกลือกลิ่นน้ำด่างที่เท่าเป็นต้นนั้นแต่กลิ่นนั้นก็หายไป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 ในอุปาทานคัขันห้าประการว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดความดับเป็นอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานคัขันห้าประการนี้อยู่ถึงแม้จะยังถอนมาณฉันทะและอนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานคักขันห้าประการว่าเรามี อย่างถอนไม่ได้แต่มานะสันทะและอนุสัยก็ถูกเพิกถอนขึ้นได้เมื่อท่านพระเขมกักกล่าวอย่างนี้แล้วพระเทระทั้งหลายได้กล่าวว่าพวกผมไม่ได้ถามมุ่งเบียดเบียนท่านเลยแต่ท่านเขมกักสามารถบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่าย ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นโดยพิสดารท่านพระเขมะกักได้กล่าวอย่างนี้แล้วพระเทระทั้งหลายมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทิ์ของท่านเขมะกะักก็เมื่อท่านพระเขมะกักกล่าวเวยากรณาพาสิทธิ์นี้อยู่จิตของพระเทระประมาณหกสิบรูปและของท่านพระเขมะกะักก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น ชนนะสูตรว่าด้วยพระชนนะสมัยหนึ่งพระเทราจำนวนมากอยู่ณป่าอิสิปตนะเมรุกัทายวันเขตกรุงพาราณสีรันเวลาเย็นท่านพระช น, นะออกจากที่หลีกเร้นแล้วถือลูกดานเดินเข้าออกวิหารกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงตักเตือนพร่ำสอนแสดงธรรมีกถาแก่ผม พอที่ผมจะเห็นธรรมได้เมื่อท่านพระชั น, นะกล่าวอย่างนี้แล้วพระเถระทั้งหลายได้กล่าวว่าท่านช น, นะรูปไม่เทียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เทียงขันห้าคือรูปเป็นต้นนั้นเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เทียงธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตา ลำดับนั้นท่านพระชนนะได้มีความคิดว่าแม้เราก็มีความคิดเช่นนั้นคือขันห้าไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เมื่อเป็นเช่นนี้จิตของเราไม่ล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในธรรมะเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลักอุปธิทั้งปวง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 ลำดับนั้นท่านพระช น, นะจึงคิดถึงท่านพระอานนท์แล้วเดินทางไปหาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทั้งหมดท่านพระอานนท์กล่าวว่าแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ผมก็พอใจยินดีกับท่านช น, นะท่านช น, นะได้ทำความเห็นให้ชัดแจ้งทำลายความดื้อดึงแล้วท่านช น, นะท่านจงเงียบโสดลง ท่านสมควรจะรู้ธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งลำดับนั้นปีติละปราโมทอย่างยิ่งได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระชันนะด้วยเหตุเพียงเท่านั้นว่าเราสมควรจะรู้ธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งท่านพระอาหนนกล่าวว่าท่านชันนะผมได้สดับคำนี้มาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคผู้ต ร, สรัสสอนภิกษุกัจจณะโคดอยู่ว่า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 นั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเราใดเ่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็เช่นเดียวกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันบุคคลเห็นขันห้าทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จึงจะไม่มีอาหางการมมังการและมานานุสัสในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอกก้าวล่วงมานะด้วยดีสงบระ ง, งับหลุดพ้นดีแล้ว